ภัวนากับหลายท่านนะ อ, อยู่กันในสติจิตกัน อยู่กุฏิไกลๆเนี่ยก็ออถึงเที่ยงคืนก็พอสมควรเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าแต่ไปหนมงานหลวงพ่อชาที่นี่เขาเท่ทั้งคืน แต่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ทําตามกําลังของเรานะเอาเท่าที่มันได้นร่างกายมันต้องการพักนะบางทีก็ดูตามสมควรนบางทีก็ลองดูมันบ้างลองไม่พักให้กมันมันจะเป็นแบบไหนนะลองสังเกตดูเดี๋ยวบางทีกลัวมากไปมันก็ไม่เคยลองไม่กล้าลองเลยมันก็มันก็เหมือน เอาความกลัวมบคิดว่าเราทําไม่ได้อืความกลวมัวคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกนะมันก็ติดกับดักความกลัวงตเองเหมือนกันนะอย่างคนเลี้ยงช้างนะเขาเขามีมีเปหลักนะี่ยเขาไปที่หมู่บ้านช้างนะที่บ้านตาการจังหวัดสุรินทร์นะมีเลี้ยงช้างมันเป็นเหมือนคล้ายเลี้งวัวเลี้ยงควายนะเลี้ยงอยู่ตามบ้านในชะ่ไหม ก็เห awesome. ็น okay, ช้างตัว so ีใหญ่ๆท hey, ําไมผูกกับโซ่กับต้นเสาต้นเล็กๆเลยเนี่ยเขาก็สงสัยเนาะก็ดงก็สงสัยทำไมช้างมันไม่ดึงโซ่ขาดหรือไม่ดึงจนเสามันดุจหรืออะไรพวกั้นนะออืเขาก็สงสัยคนเลี้ยงช้างก็บอกว่ามันมีวิเทคนิคมีวิธีการก็คือว่าใส่ช้างที่ที่เลี้ยงตัวใหญ่ หลายลูกหลายตัวที่ก็จับมาแต่ตัวเล็กๆหรือว่าคลอดที่นั่นนะเมื่อช้างที่เป็นลูกช้างตัวเล็กๆอยู่เขาก็เนี่ยจับอ่จับมัดไว้กับโซ่นี่แหละะกับเสาต้นเดิมนี่แหละโซ่ขนาดเดิมนี่แหละตอนที่ลูกช้างมันตัวเล็กๆอยู่มันก็พยายามจะดึงพยายามจะอ่าดุดจากโซ่ให้ได้นะแต่มันไม่หลุดมันก็พยายามอยู่สักพักนึง เสร็มันก็รู้สึกมันทําไม่ได้ละไม่ไหวละอ่ามันก็เริกพยายามพอมันโตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็อยู่กับเสาต้นเดิมโซ่เส้นเดิมแหละมันก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกถทั้งที่มันตัวโตขึ้นนะกําลังมากขึ้นตอนหนักมันก็เลยไม่พยายามไงเพราะมันจําในสมองว่ามันทําไม่ได้ละนะมันทาไม่ได้ละนะมันก็เลยขาโตเต็มที่แล้วก็ยัง ก็ยังพอใจในการอยู่ที่โซ่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ทําอะไรอันนี้ก็คือเขาบอกมันเป็นเคล็ดลับของของการเรียงช้างที่ที่เขาที่ช้างมันจำก็มันทําไม่ได้นะแต่พี่มันโตขึ้นมาแล้ อ, อาจจะทําได้นะเราเองก็เหมือนกันนะบางทีต้องดูว่าเรามีบางทีบางอย่างเราเคยทาครั้งแรกหรือเคยทํามานิดนึงเราก็องคิดที่มันทําไม่ได้เนะี่ย มันก็อาจจะใช่นะแต่มันก็ไม่แน่นะบางทีพอเราอายุมากขึ้นพอเรามีสติมากขึ้นหรือมีอะไรมากขึ้นนะไอ้ที่เคยทำไม่ได้มันก็ทำได้นะไอ้ที่ทำไม่ได้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ตลอดนะนอาจจะทำไม่ได้แค่บางขณะเราเราก็อาจจะทำได้กะได้บางทีต้องลองก่อนนะนะการเรียนรู้ดีๆที่สุดคือการรอง ลองคิดลองถูกนี่แหละดีที่ส่ด น, นะอางทีการเรียนรู้แบบ <c oughs> ในบางแบบนะ้นจะสอนให้เชื่อเชื่ออูว่าแบบนี้พ่อว่าแบบนี้แม่ว่าแบบนี้พระว่าแบบนี้ให้เชื่อให้เชื่อแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่เชื่อเนี่ยมันมีเหตุมีผลอย่างไรไอ้บอกว่าอย่าทําเนี่ยมันไม่ทําเพราะอะไรเนีย มันมีโทษอย่างไรมันบางทีก็บางทีก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เรียกว่าทําด้วยความเชื่อหรือทําด้วยความกลัวเหมนเนาะบางทีการเย่แบบนี้นะมันจะเหมือนมันจะไม่เข้าใจจริงๆนะอาจจะทํานะแต่แต่ไม่เข้าใจอแต่บางทีถ้าเราได้ลองนะลองบางทีก็ลองผิดลองถูกนั่แหละนะมันจะทําให้เรา มันเข้าใจด้วยด้วยตัวของเราเองไม่ใค่เข้าใจด้วยคําพูดคําสอนของของครูบาอาจารนยะ์เพบางทีเราฟังอนะ่ะบางทีมันจําไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราได้ทําเองเนี่ยอ่มันจะจําได้เหมือนเด็กนะ น, นะบางทีบอกอย่าไปจับไฟอย่าไปจับไฟเนะี่ยบางทีมันก็ไม่อยอมเชื่อนะเบางทีก็ต้องบางครับนั่นนะ ก็หลือว่าไม ไ, ไม่ใช่ไฟที่มันใหญ่มากอ่ะเป็นไฟแคบแล้วลองจับเล็กๆเป็นแบบไหนบางทีก็ปล่อยบ้า ง, างนะมันจะได้เห็บเห็บดูว่ามันถูกความร้อนเป็นแบบนี้นะจิตมันได้จำเองว่าอ๋อมันร้อนเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าห้ามเฉยๆเนี่ยบางทีจิตนะมันยิ่งข้ามยิ่งยุบ <c oughs> ยิ่งข้ามยิ่งยุบนะบางทีก็ต้องปล่อยบ้าง การภาวนาจริงๆก็คือการลองผิดลองถูกนั่นไหละนะแต่มันก็มีมันก็มีขอบเขตนิดนึง่งขอบเขตนิดนึง่งบางทีไปลองหมดทุกอย่างเลยมันก็เสียเวลามันก็เนิ่นช้าถ้าตัวว่าให้ลองให้โดยโดูมันมีข้อนิดหนึ่งว่าพิจารณาแค่ว่ามันเป็นกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลนะก็อย่าไปลองเสียเวลานะใช่ไหมบางที ชีวิตเราก็ไม่ได้ตะมากนะเช่นยาเสพติดเนี่ยมันคนก็พูดกันเยอะแยะว่ามันไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปลองอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรืออะไรที่มันทําไม่ดีที่มันเป็นผิดกฎหมายชัดเจนผิดศีลธรรมชัดเจนอะไรแบบนี้มันมันก็รู้แล้วมันมันไม่ถูกมันไม่ควรก็ไม่ต้องไป้องเสียเวลาก็ได้แต่อะไรที่มันแบบคุ้มเครืออยู่ยมันไม่ใช่ว่าชัดเจนมากบางทีมันก็ต้อง ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองอยากจะรู้ก็ต้องลองเี่ยว่าเอ้าวปฏิบัติแบบนี้เป็นแบบไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องพิสูจน์เองนะอใช่ไหมเหมือนร้านอาหารนะใช่ไหมเขาว่าอร่อยเนี่ยเราจะเชื่อเขาเขาว่าไม่อร่อยเราจะเชื่อเขามันต้องพิสูจน์ตัวเองนะเอดิ้นใครดิ้นมันออต้องไปกินเองถึงจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะ จะเชื่อนะมันก็ไม่ไม่ถูกไม่เชื่อก็ไม่ถูกนะเ <c> น <oughs> ี่ยนะมีใครมีแล้วจำไม่ได้ถามหลพ่อชาอะไรประมาณนี้มึ้งเขาว่าแบบเนี้ยควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อพรอชาบอเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ <c oughs> ต้องอต้องให้เรารู้ด้วยตัวเองว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่นะอืเนี่ยบางทีมาันก็ภาวนา สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทำให้เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปก๊อปปี้นะเราเคารพเราศรัทธาเราฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ไอ้่งางๆก็ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปก๊อ ป, ปีไปก๊อ ป, ปีเราโง่ น, นะแต่บางทีก็ลองนะไม่ใช่ว่าต้องใจงไปก๊อปปไปลองไปลองทําดูว่า ทำแบบท่านแล้วมันเป็นแบบไหนเนี่ยทำแบบท่านแ้วเป็นแบบไหนบางทีเราลองอะเราเคยดูอ๋อเราทำแบบท่านแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กกับเราแต่ไม่ใช่ว่าคําสอนท่านไม่ถูกนะบางทีคําสอนท่านถูกแต่การกระทําบางอย่างมันก็อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้อืมอย่าที่เห็นมาพูด่มาแรกๆมันะก็ลองลอ ง, ลองทําตามดูหลวงข้อเทียนเดินแบบไหนลองเดินตาม อยกมือแบบไหนตอมเดินตามเลยนะามาว่าตอนก็มันก็เราก็จะดูเองอ้ตอนนั้นสอบภาวะตอนนั้นกับตอนนี้บาทีก็ไม่เหมือนกันนะตอนที่เรายังสติไม่ค่อยดีพอเราไปทําแบบตั้งใจมากๆคือคล้ายๆแบบหลวงพ่อเทียชช้าๆหน่อยเราอึดอัดเราแน่นแต่ถ้ามาให้มาทําตอนเนี้ยมันก็จะไม่อึดอัดไม่แน่นเท่าเดิมละ มันก็ทําได้มันก็ทําได้ออืแต่ตอนนั้นอ่ะมันมันไม่หมเหมาะหืออย่างที่ว่าพอทํานนพกกับแตพกน้องเขียนพอทําเบาๆทํำอ่อนๆนะปุ้งง่วงเะมก็ไม่ได้แต่ถามให้ทําตอนนี้พอทําได้ก็ทําได้นบางทีก็ชอบทําเบาๆ ก, กระดดกรดิกเล็กน้อยคือบางทีเรียกว่าคือเราครูอาจารย์จะบอกบางทีนี่ ให้เอาเยี่ยงท่านแต่อย่าเอาอย่างท่านเอาเยี่ยงเนี่ยคือเอาเอาองสอนเอาสิ่งที่มันมันดีเป็นประโยชน์แต่อย่าเอาอย่างก็คือว่าท่านทําแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้ถ้าทำแบบนนี้หมาถึงที่เป็นรูปรหลักภายนอกนะนบางทีมันไปไปเอาอย่างไปเรียนแบบไม่ได้หรอกนะอย่างภาษาไทยที่ก็บอกเห็นช้างขี่จะไปขี้ตามช้างก็ไม่ได้ใช่ไหม เห็นช้างมานดุยป่าไม่มีอะไรเลยจะไปดุยเหมือนมันก็ไม่ได้นะก <c oughs> ็ต้องทางใครทามานนะทางใครทามันแต่ก็อย่างว่าทางตอนนี้ก็คือทางในการออกจากความทุกข์ถ้าเราทำแล้วมันเห็นทุกข์ออกจากทุกข์เนี่ยถูกทานนะทั้งหมดอะทุกวิธีการถ้าทำแล้วมันเห็นทุกข์นะแล้วก็ออกจากความทุกข์เนี่ยนี่คือมันถูกทาน แล้วก็สิ่งที่ทำเพราะว่าบางทีความทุกข์ของปู้โชนนะบางทีมันก็ไอ้ที่ว่ามันไม่ทุกข์เนี่ยบางทีก็เป็นไม่ทุกข์เพราะเพราะกิเลสก็มีนะบางทีก็ต้องระวังถ้าถ้าการกระทํานั้นมันเป็นอคุศลนนะแล้วมันทำรู้สึกมันไม่ทุกข์อ่ะมันก็มันก็อาจจะไม่ใช่เนี่ยเหมือนหลายคนอ่ะไปกินไปเที่ยวไปนั่นเวนี่มันรู้มันถึงว่าเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปกินเหล้าเมายาแล้วมันไม่ทุกข์นะ มันดื่มความทุกข์นยมันสนุกไปชั่วคราวเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่นะมันเป็นการหนีทุกข์หนีทุกข์บ่อยไหมเราสังเกตตัวเองนะบางทีเนี่ยแม้เราไม่ได้แบบหนีทุกข์แบบอยาบๆมันเลยนะแต่สังเกตบางทีเราก็จิตไม่อยากจะหนีทุกข์เวลาเราอยู่ในบรรยากาศเช่นที่ทํางานมันวุ่นวายมัน ถึงเครียดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากอยากไปอยากไม่ค่อยอยากจะไปทํางานหรือเราเคยได้ยินคนคนนี้หรือเคยทํางานคนนี้แล้ว ร, รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าขากันพอรู้สึกว่าต้องไปทํางานกับเขาเยอเกดจจะมันจะอยากดีไม่อยากไม่อยากไปร่วม ง, งานด้วยแล้วเราก็จะมีเหตุผลน้องรับสาเราครับแต่ใช่ั้มว่า ม, มันไม่เข้ากับสไตล์ของเรามันไม่นั่นไม่นี่อะไรเหตุผลอะไรครับ แต่จริงลึกๆจริงๆก็คืออะไรเราอาจจะไม่อยากทุกข์พอารู้สึกว่าถ้าไปใกล้ๆแล้วมันจะจี๊ยดมันจะขัดเลยลึกๆจริงๆคือเราเราไม่อยากจะโกรธเราก็เลยพยายามมีเหตุผลข้ออ้างในอย่างที่ไม่อยากหนีไม่อยากจะหนีะในกิจกรรมนั้นๆในงานนั้นๆมันจะเรียกออกมามันจะเรียกออกมาถ้ารับปฏิบัติธรรที่ซื้อตรงจริงนะ ต้งรู้ทันตรงนี้นะคําว่าเหตุผลเนี่ยมันมันที่จริงมันมีใต้เหตุผลมันจริมันคืออารมณ์อออารมณ์เราพอใจเนี่ยก็ปรุงแต่งเหตุผลได้อารมณ์เราไม่พอใจเนี่ยก็ปรุงแต่งเหตุผลได้มัทีเหตุผลเนี่ยเอามาตีกันเนี่ยมันคําว่าใช้เหตุใช้ผลเนี่ยแต่จริงถ้าเราไม่รู้ทันว่าไอเหตุผลที่เราใช้เนี่ยมันเกิดจากความ พอใจหรือไม่พอใจเนะี่ยเราจะตีกันแบบรุ่วุ่นวายมากนะแล้วโลกนี้ก็มีปัญหากรารข้อเหตุผลแบบทิกมันเกิดจากการพอใจไม่พอใจแค่ไห น, นนะมันก็มาตีกันมาทะเลาะ ก, กันอมาอะไรต่างกั น, กนแต่พระพุทธ เ, เจ้าหรือธรรมะมันจะทําให้เราเรียกว่าเราจะให้เราเห็นว่าไอเหตุผลที่เราใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไร เกิดจากความชอบเกิดจากความไม่ชอบหรือมันไม่ได้เกิดจากเพราะความชอบไม่ชอบแต่มันเป็นสิ่งที่สติปัญญานะีมันพิจารณาแล้วมันมันควรทำนะไม่ได้ทาด้วยความชอบความไม่ชอบเนะข้าใจปะเขราะงี้ไอ้ทัศเหตุผลนะใช่ไ้ยมัน คำว่าข้ออ้างนะบางทีเขาคำร่ำข้ออ้างนะบางทีเราไม่ไม่กล้าพูดเขาเป็นข้ออ้างเนาะก็จะเรียนว่ามันเหตุผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะก็เลยไม่ไปไม่ทำอะไรไงอันนี้มันจะมีบางทีจะฟังให้มันดูดีมีเหตุมีผลแต่จะพู่ตรงๆก็คือขี้เกียจนั่นแหละกลัวนั่นแหละไม่ชอบนั่นแหละเนะมันก็มีนะหรือบางทีเราชอบอะไรมันก็โอ้ยกเหตุผลมายก ที่เขาบอกว่าชักแม่นาทั้งห้าเนาะมาอ้างมานั่นมานี่เอามัก็เยอะมากเนี่ยที่หลวงพ่ท่านสอนนโอ้มันทีอยากไปเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดเพราะบางทีพอคนไปไปพอใจไม่พอใจเอาถู ก, เ อ, ถกเอาผิดกันก็จาเกิดผลมาปันกันน่ะบัญชีก็ต้องรู้ทันะแต่มาจําหนวงพ่อสอนได้ยางมันก็มีมันมีการ ทำอะไรบางอย่างอยู่ที่วัดนันนแล้วก็อาจจะมีแล้วก็เป็ น, ปนโครงการที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยตรงนั้นนะคนที่เห็นด้วยก็เข้าหาหลวงพ่อคนไม่เห็นด้วยก็เข้าหาหลวงพ่อพระมาว่าถ้าหลวงพ่อตัดสินเนี่ยมันจะมันจะจบ <c oughs> แต่หลวงพ่อก็สไตล์หลวงพ่อก็เข้าใจกับทุกคนฟังทุกคนทุกคน แล้วแต่ละคนก็ฟังของพ่อก็สบายใจนะเหมือนของพ่อก็เออก็ถูกอันนี้ก็ถูกอะไรนะก็ถูกก็เข้าใจทุกอย่างก็เห็นว่าทุกคนก็มองว่าถูกทั้งนั้นเราก็รู้อมันก็ถูกแต่ก็อย่างว่าแต่ถูกแต่คนเลือกมันบางทีบางอย่างบางอย่างแล้วมันมีทำก็ไม่ทำใช่ไหมจะทํำไหมทําก็ต้องทําใช่ไหมบอกวมันก็ต้องเลือกสักอย่างหนึงแต่ของพ่อก็เป็นกลางเข้าใจทั้งสอง แต่หลวพ่อก็อสอนก็เตือนอามาอีกทีนึงนะหลวงพ่ อ, อ, อบางทีนะเราก็ต้องทีเขาที่เราบ้านนะอย่าเอาแต่แบบเอาแบบตามใจเราเอาแต่แบบที่เราคิดมันก็ไม่ได้นะต้องทีเขาที่เราบ้านคือบางอย่างนะมันเป็นเรื่องแค่แค่อะไรเหมือนคล้ายคลมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกตายตัวไม่ใช่เรื่องอากอขาดบาดตายนะ การจะทําอะไรไม่ทําอะไรบางทีมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเอเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรมากมายหรอกนะบางทีเราก็ต้องทีเขาที่เราบ้านนะบางทีจะเอาแต่แบบเราอย่างเดียวเนี่ยเขาก็โอ้ยอะไรก็ถูกขัดถูกขัดถูกขัดเลยนี่มันก็ไม่ถูกเพราะน้องพ่อจะเป็นวันนี้สอนจะเอาจะเอาแบบแต่ทีเราอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ต้องทีเขาที่เราบ้านน่ะ ข้อที่จริงเรื่องทางโลกมันบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ถูกผิดตายตัวไงใช่ไหมการงานทางโลกวัตถุทางโลกบางทีมันก็มันเพียงแค่สไตล์ที่มันต่างกันเนีพื้นฐานความคิดที่มันแตกต่างกันเนีแต่สมายว่าเอ๊ะคำสอนนี้นะมันทําให้เสื่อนสติของเราโอ้ใช่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตที่จริงแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นไร มาพอสมควรนะแต่พอรู้สึก่วนข้อเตือนปุ๊บมันไม่เป็นไรก็คืออะวางไปเลยแต่ก่อนมันไม่เป็นไรแบบอ่ะขอแล้วก็พิจารณยอีกสักหน่อยหน้าเลยแบบก็ยังมีไม่เป็นมันก็ประมาณมันก็ยอมรับได้อยู่ว่ามันควรจะได้หรือว่าควรจะอะไรสักหน่อยแต่มันก็ยังไม่ใช่การไม่เป็นไรจริงๆนะมันก็ยังมีความลึกๆมันก็จะมีความคาดหวัง ซือ้อมันก็จะมีความที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบนี้เราสึกว่ามันน่าจะดีกว่าไอ้ขำว่ามันน่าจะดีกว่านะมันจะรู้สึกมามาหลอกเราบ่อยนะสังเกตใช่ไหมมันเพราะลึกๆจริงๆคนมันส่วนใหญ่ก็เชื่อความคิดความเห็นของตัวเองเนี่ยความคิดเนี่ะที่ระษาพดะเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ย ความคิดความเห็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะเ่าเอาขอจริงพอเราปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นเรื่องภายนอกเนี่ยเราจะเอาตัวตัวสิ่งที่มันแสดงภายนอกเป็นตัวตัดสินไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของแต่ละแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่แต่ละบริบทใช่มเอาง่ายอย่างเช่นมารยาท น, นะมารยกคนไทยก็แบบนึงญี่ปุ่นก็แบบนึง ว่าหลังก็แบบนึงนะใช้ต่ว่ามารา ย, ยาทเหมือนกันนะแต่แต่มันทําให้เหมือนกันใช่ป่ะบางเผ่านะี่ยเขาเขาลบกันเขาสวัสดีกันอะไรเขาถุยน้ำลายใส่กันใช่ไหมก็มีเอ่าหรือว่าหลานเขาลูบหัวเนี่ยเขาเห็นดูนะเขาเ อ, นะเาอ่ใช่ไหมเขาคือความความรักันะเขาเขาลูบหัวกันแต่คนไทยไปลูบหัวกันสุดสี่สุดห้าไม่ได้นะ่ไหม ม, มันมันไม่เหมือนกันเนี่ย เนีอกินอาหารเสริมเนี่ยบาทีเศษอาหารก็รอบๆตกเ้งไหมวางไปขวดแต่คนไทยไม่ได้นะั่นก็องเศษเอาหารก็เก็บไว้ตรงที่จานตัเองใช่ไมดวางรอบๆไม่ได้นะนี่คือมายาณนะนั้นะตอนเริ่มแรกที่พระเจ้าท่านเผยแค่ธรรมะไม่มีกวาไม่มีระเบียบอื แต่ให้คนรู้ด้ตัวเองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเพราะวินัยเนี่ยมีมาที่ด่านพระเจ้าท่านท่า น, นสอนข้าพเจ้าธรรมะน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะอาจจะถาผิด่อโทษครับปรมาณิดสองปีก่อนหน้านั้นเนี่ยพระสงฆ์ก็พอเวลาออกบวชก็บอกว่าพระเจ้าก็บอกว่าก็มานมาทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้ ให้หมดสิ้นไปเถอะเอ่ยประมาณนั้นนะไม่ไม่ใช่ว่าบอกว่าให้มาประพฤติตามทำตามวินัยของเราะตอนหลังก็ไปมาพูดว่าให้มาประพฤติตามทำตามวินัยของเราเพราะว่าสมัยก่อนคือถ้าคนมีสติมีธรรมะจริงๆเนี่ยมันจะรู้เองว่าอะไรควรทําไม่ควรทําวินัยบางอย่างมันเกิดมาเป็นเพราะแค่เป็นมารายาของสังคมหรือเป็นสิ่งที่เป็นการไปเบียดเบียนกับญาติโยมน้อย น้อยลงนิดหนึ่งเฉยๆไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องคองการบาดตายนะอย่างสมัยก่อนะพระท่านก็ไม่ไจํากัดว่าจะต้องฉันมือเดียวหรือฉันก่อนเพทนอะไนะไม่ได้จํากัดบางรูปนะท่านก็ทําความเพียนดึกนะอาจจะพักสอนตอนเช้านะเป็นบ่ายออกไปบินท บ, บาทไม่ฉันตอนบ่ายตอนเย็นก็มีอะไรแบบนี้หรือบางรูปท่านก็บินท บ, บาทตอนนี้เก็บปัญหารวิฉัน อีกสี่ห้าวันก็มีในเรืนี้ก็ก็มันเป็นสิ่งที่ก็มีทํากันบ้างไม่ได้ผิดแต่พอตอนดังพอพระมากขึ้นหรืออะไรมันก็อาจจะมันก็อาจจะทำให้ชาวบ้านบางคนเขายุ่งยากอย่างเช่นสมัยก่อนมันก็มีเรื่องเช่นพระเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่วัดเดียวกันเนาะคล้ายๆกันมีในชุมชนใดๆมีพระอยู่หลายป่าหลายแห่งหลายหย่ หรบางบัดเองก็เป็นบิณฑบาตใน่พร้อมกันบาทีพระรยมนี้ไปบิณฑ์ตอนเช้านโยมมีเขามศรัทธาเห็นพระผ่านมาท่านก็ใส่พอกลางวันเขาเตรียมอาหารจะทานเองพอเห็นพระมาบิณฑบาตก็เอาอาหารใส่ให้พระพอตอนเย็นเองกําลังจะทําข้าวกินเองเห็นพระมาเดินบิณฑบาตก็มาใส่เขาศรัทธาเขาก็ใส่มันก็คือคนใส่เขาก็ใส่ด้วยศรัทธาแต่ก็อย่างว่ามันก็ยุ่ง มากขึ้นเพราะว่าว่าจะทำกินเองแต่ทำให้ครอบครัวกินก็ก็ไปให้พร่าหมดเลไประมาณนั้นพระพุาเจ้าก็เลยก็เลยเป็นอยากขึ้นมาอาให้บิณฑบาทหรือให้ฉันในเวลาก่อนเทนะเพราะว่าอย่างน้อยโยมเขาถ้าจะใส่ก็จะได้มีเวลาใส่ที่ชัดเจนเวลาหลังจากนั <c <c <c ้นเขาก็จะได้เป็นเวลาสำหรับครอบครัวทำกินเองอะไรนั้นมันก็จะชัดเจนนะออ อันนี้คือมาเป็นสมตสมติไงสมมติที่ตร้างขึ้นมาแต่บางทีเราก็ไปหลงสมมติมันก็ไป ต, ติดตายตัวนะและจริงวินัยเนี่ยมีมาที่ดำอ่าสิ่ ง, ง ต, ต่างเป็นที่ดำนะโรคแบบนะมนเป็นที่ดำนะเพราะที่จริงเนี่ยสิ่งสาคัญจริงคือตัวตัวธรรมะตัวสติกนะตัวธรรมะตัวสติกนะเอาตัวนะเป็นหลักบาง ท, ทีเราอยู่ทํำโลกนะก็ต้องเอาธรรมะเป็นหลักไว้ ส่วนข้อวัดอะไรต่างๆ ม, มันก็เอาแค่ประมาณว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายที่ชัดเจนนี่ก็พอละเอาแค่สิห้าก็พอนะแบบคารว่าจะโยสิลห้าก็ได้นอกจากบางครัง้งบางโอกาสนะมาอยู่ที่นี่บ้างนะบางทีก็ซือศีลบางทีก็ศีลหกบางทีก็ศีลแปดศีลหกเลยบางที บางทีก็อาจจะนอนที่นอนสูงหน่อยนะแต่ก็ไม่กินข้าวเย็นนะบันนีก็เป็นแบบนั้นก็มีหสืสินแปดบ้านบางครั้งนะเพื่อทดลองดูว่านะเราใช้ชีวิตคล้ายๆแม่ชีคล้ายๆพระได้หรือเปล่านะเป็นการทดลองดูการทดลองไม่ใช่ว่าทำเพื่อให้เราภาพลักเราเ ด, ดูดีหรือว่าเพื่อเราประกาศว่าเราจะ เราเป็นคนเข้าวัด น, นะที่จริงทดดองเพื่อให้เห็นว่ามันมีกิเลสอะไรที่มันติดอยู่ในใจของเราอย่าาคนใช่ไหมติดประดับตกแต่งติดนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไหมใช่ไมืมติดฟังเพลงดูกันละเล่นไหมมันก็มันก็ทำให้เราติดพอเราพอเราห่างจมันมาวันสองวันหรือเจ็วันเลยนะมัะเห็นว่าโอ้ แต่ก่อนเราก็คิดว่าเราไม่ติดร้องเพลงนะแต่พอมาปฏิบัติทำ ม, มันมันได้ยินเสียงเพงลงมันก็มาร้องในใจนะฮะมันก็อยากฟังเนี่ยนใช่ไหมแต่ก่อนเราคิดว่าเราไม่ติดละคร น, นะออแต่พอไม่มีละครแล้วก็เออล้วก็รู้สึกหวังเวงในใจนะมนาในช่วงนี้คนไทยอาจจะต้องก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสที่ดีนะ่ยเห็น รัฐบาลเห็นเลยเขาเชิญยกันการนะเล่นต่างๆละครต่างๆนี่ยกเลิกหมดเลยนะกลับไปช่องสามช่องเจ็ดเขาไม่มีละครนั้นนะรายการตดดลกอะไรบันเทิงเขางดดเลยนะไม่มีม <c ười> กําหนดกีฬาคอนเสิร์ตงก็งดนะคอนเสิร์ตการบูมในประเทศดวงดาวนี่งดหมดฟุตบอลอะไก็งดแข่งขันนะ <c ười> อมองเงียนหนึ่งก็ดีนะแล้วก็แต่ก็ดีไง ไม่มีอะไรทำมาเข้าวัดมาเข้าวัดนะมาปฏิบัติธรรมก็ดีน ะ, ะมันจะได้มีเครื่องอยู่นะแต่ถ้าคนเคยสนุกสนานแล้วพอไม่มีเครื่องอยู่อยู่ยากใช่ไมมันจะรู้สึกวแบบ่บทําไม่ได้มันจะทรมานมากมันต้องหาเลยททาที่มันเป็นเครื่องทดแทนนะถ้าโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีถ้าการบันเทิงมันน้อยเนะี่ยมาวัาก็ดีนะ คนจะได้ไม่ติดมากแต่มันต้องมีเครื่องอยู่อ๋อเช้านี้ข้างนอกบันเทิงน้อย่อะมาที่วัดมาที่วัดดีกว่าเป็นการทําบุญนะเป็นการสร้างกุศลนะถวายถวายในดวงของเราเมันก็ดีนะเขาคนอื่นคิดได้เนแลยว่ะเช้านี้มาวัดบ่อยๆมาสวดมนต์มาปฏิบัตนะิธรรมนีะไม่ได้มีเครื่องอยู่แต่บางคนวัดก็ไม่อยากเข้าอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรบันเทิงเนี่ยลำบาก ลำบากมากนะอืมมันต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าคนไม่มีเครื่องอยู่จะลำบากแต่คนทั้งเราก็อยู่ด้วยความเพลิดเพลิสนสนานกันก็อาศัยเครื่องรอพวกนั้นไปะแต่ก็ถ้าบางค น, คนแค่ช่วงระยะหนึ่งมันกดนิดนึงนะ่ะอาจจะพอได้แต่ถ้าบอกไม่มีกาหนดเนี่ยมันจะตายตัวมันมเออไม่ใช่มันจะตายไม่ใช่ตายตัวเหมือนคนมาบวชแต่โยมบางคนบวช เจ็ดวันสิบห้าวันเนี่ยตั้งใจดีมากเพราะมันรู้สึกว่าครั้หนึ่งไงอดแค่เจ็ดวันสิบห้าวันเนี่ยเดี๋ยวไปได้ทําต่อมันไม่เป sure one 70, ็นไรแต่ภรรษาหนึ่งเนี say, ่ยเริ่มเริ่มเดือนสอเดือนแรกมัเริ่มเริ่มพอได้พอเดือนนึงสามมันเริ่มแล้วเริ่มอยู่ยากแล้วก็มีนะมันใกล้จะได้เไปทำแล้วแต่อย่ายากมากบางคนบอกต้องบวชต่อดชีวิตถ้าจะบวชตลอดชีวิตนะ ไอ้กิเลสบางอย่างเนี่ยมันจะมารอ่อเราว่าฉันจะทําไม่ได้ตลอดชีวิตเลยหลยมันจะมันจะดูหนักนะดูหนักมากนะดูหนักมากแต่ถ้าคนหัวสั้นๆจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าเราอืมเราแค่ยกข่วาวเนี่ยอย่างเช่นหลวงพรนะองค์สมศริจะอยู่ตล อ, นะ อ, อดชีวิต่ะฉันต้องมีแต่งงานตลอดชีวิตฉันต้องไม่มีคู่ตลอดชีวิตบางทีมันนุ่มๆ น, นะมันก็หนักนะมันก็หนักเยอะเพราะมันคิดว่า ถ้่จะไม่ได้ทำแบบนี้ตลอดชีวิตเลยล่ะ๋ยวไม่ได้ไปดูหนังตลอดชีวิตเลยล่ะมันอะไรมเนอ่ะมันจะหนักแต่ถ้าคนแค่ช่วคราวน่ยมันก็อะกดทนสักหน่อยมันก็มันก็ได้แต่ที่จริงคําว่ามันไม่ได้ตลอดชีวิตที่จริงมันก็หลอกเรานะเดี๋ยวอาจจะตายในปีนี้ก็ได้มันไม่ได้นานขนาดนั้นก็ได้มันแต่มันก็บอกให้เราพทรมานะลอก มันก็ดีนะทําให้เราเห็นกิเลสอะไรที่มันมันซ่อนอยู่ที่เรามันยึดติดถือมั่นนะบางอย่างมันก็หลอกเราด้วยเงื่อนไขที่ามาทําแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรหรอกในหลายที่อะบางทีโยมบางคนน ะ, ะมาอะไรกับกดภายใวัดมากบางทีเขาไม่เข้าใจว่าธรรมชาติของของพระเป็นแบบไหนเช่นมีหลายที่บางที ครัปฏิบัติต้องไม่อ่านหนังสือพิมพ์นะต้องไม่ใช้โทรศัพท์นะอะไรประมาณนะั้นหมายว่าเพราะโยมมาปฏิบัติที่วัดเจ็ดวันโยมยังทําได้เลยใช่ไหมไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่โทรศัศท์ไม่ใช้โทรศัพท์โยมยังทําได้มันก็ถูกอันนี้เขาค่อยโยมมาอยู่แค่เจ็ดวันโยมเรามาอยู่ตลอดชีวิตคือที่โยมจะทําได้เปล่าเงียมันต้องคิดแบบนี้ได้ไมนะั้ยบางทีใช่นะเรามาอยู่เจ็ดวันเราไม่ทำนะ พอเอ็มกลับไปบ้านยังก็ทําเหมือนเดิมใช่ไหมก็ถามโลกมันไม่ถือว่าผิดแต่จริงทําทําเอ็มมันก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นคือจะเรียกว่าไม่ผิดก็ได้นะแต่มันก็มีใช้ไม่ถูกมันก็ผิดใช้ถูกมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่างข่าวเอ็มันก็มีมีทั้งมีสาระมีไร้สาระมันอยู่ที่การเลือกไม่ใช่อยู่ที่การทํานะต่อให้เขาอ่านข่าวเนี่ยอ่านข่าวอะไรใช่ไหมอันนี้มันต้องดูตรงนั้น ใช้โทรศัพท์ใช้แบบไหนยังออันนี้คือใช้อินเทอร์เน็ตใช้แบบไหนบางคนไปก็นี่พระใช้เฟซบุ๊กได้เลยเหรอพระใช้นั่นชนิดใช้ได้ได้เลยหรอแล้วก็มันอยู่ที่การใช้ถ้าใช้เพื่อสื่อสารใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใช้เพื่อเผยแพร่ธรรมะมันก็ใช้ได้แต่ถ้าใช้เพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานใช้เพื่อ ปวโออะไรตรงนี้มันก็ไม่ถูกมันก็ไม่เหมาะนะมันอยู่ที่มันอยู่ท่ทีการใช้นะแล้วก็อยู่ที่ความเวลาในการใช้ด้วยนะักบางทีก็ไปใช่มากมันก็ไม่ไม่เหมาะนะเพราะชีวิตจริงๆอย่างชีวิตนักบวชชีวิตนักปฏิบาาัติธรรมท่านเน้นให้ให้เราวางนาที่มันจะเป็นให้มันให้มันให้มันมากที่สุดเนาะทําเฉพาะงานที่จําเป็นเพื่ออะไรเราจะได้ไม่ไปเสียเวลา เรื่องที่มันไม่ที่มันคล้ายๆมันไม่ค่อยจําเป็นมากแต่บางทีทางโลกมันแยกยากแต่ทางพระบางทีท่านให้เราตัดง่ายๆเช่นอะไรเนี่ยก็มีเด็กนะไปสอนที่โยมพุดเด็กถามทําไมพับต้องโกนผมเอ ม, มาบอกว่ามันง่ายดีเนี่ยตัดผมทรงเดียวไม่ต้องไปหวีไม่ต้องไปซาอะไรมากมันแต่ถ้าเป็นโยมใช่ไหม จะไว้ผมยาวดีไว้ผมสั้นดีวันนี้จะแสกแบบไหนดีวันนี้จะทาเจลแบบไหนดนะีจะย้อมไหมเนะ่ะมันยุ่งนะชุดก็เหมือนกันนะเดี๋ยววถาเด็กละบางทีก็ถามนะทำไมพักต้องใส่กีบอร์นนะเขาก็อ๋อเขาพรเจ้าพาใส่แบบนีนะ้แล้วก็มันง่ายดีนะชุดเดียวทั่วโลกใช่ไอม <c ười> น, นี้คือแต่จริงก็คือ กิจวัตรต่างๆของนักบวชที่จริงทสุดท้ายคือเพื่อให้เรามีชีวิตทีิง่าย่ะแต่โยมบางทีบางอย่างมันเยอะนะสมมติมีกระเป๋าเป็นสิบใบที่จะมาวัดเอากระเป๋าไปไหนมาดีวะอลยนะเจะไหมมันมันจะเริ่มเลือกละนะมีรองเท้าเป็นสิบคู่เฮ้วันนี้นยจะไปเที่ยวจะใส่คู่ไหนดีมันจะใช้ความคิดเยอะเลยว่า มันจะเลือกไม่ถูกใช่ไหมเหมือนไปห้างนะเดี๋ยวนี้แชมพูเป็นน้อยยี่ห้อเจไปเอายี่ห้อไหนดีมันเริ่มยุ่งละมันเริ่หนักแล้ะแต่พระนะมันก็ง่ายขึ้นโยนถวายอะไรมาก็เอาแบบนั้นโยมถวายอะไรมาให้ฉันมาให้ใช้ก็แบบนั้นแหละถ้าจะเลือกใหม่ก็เปลี่ยนแค่เลือกให้มันเหมาะกับสุขภาพหรือเหมาะกับอ ความจำเป็นอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าไปติดในยี่ห้ออะไรต่างๆเนี่นะยโยบก็ทําแบบนั้นบ้างก็ได้นะเนะีเสื้อพ้าหน้าผมให้มันน้อยๆนะไม่ได้ไม่ยุ่งก็้วเอาอะไรเอาเวลามาภาวนาเนะี่ยถ้ายุ่งเรื่องภายนอกน้อยเราก็จะมีเวลานั้นเยอะขึ้นอย่างเช่นอาหารนะถ้ายุ่งเรื่องการไปเลือกซื้อเลือกกิน หรือทําแบบฟันนิดมากนะจะมีเวลาเหลือจากกรมการกระทํำนะั้นเยอะขึ้นเลยมาเคยไปเมืองจีนหลายที่นะบางคนบอกว่าเฮคัพเมืองจีนแผ่นข้าวเย็นไม่ผิดศีลนะถ้าโดยศีลถ้ า, าแบบศีลเทราวาสไปจกักมันก็ผิดนะแต่บางทีเราก็ไปดูนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็ดูแบบเปรียบเทียบดีใจบางทีอย่างวัดบ า, บางวัดในเมืองไทย โอ้ oh, อาหารมื้อเดียวก็จริงนะแต่สารพัดอย่างเยอะมากเต็มที่ full option หรือบางทีเราไม่เรียกว่าอาหารเราเรียกว่าปรมัดอย่างเนียในวัดป่าบางที่เรปรมัดนี่ก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะแต่เราไปที่เมืองจีนเช้ากับวันเย็นะมีอย่างมากก็กับข้าวสองอย่างมีข้าวต้มมีหมันโถหรือบางวันก็ข้าวสวยบางทีก็เป็นผัดเป็นมีอะ น, น, นะ กับข้าวของอย่างซ้ำ อ, อย่างเนียมากนะแล้วก็ง่ายๆนะผัดผักก็คือผัดผักจริงๆนะผัดอย่างสองอย่างผัดกับน้ำมันแค่นั้นแหละนะต้มก็ต้มจริงๆนะไม่มีอะไรมากคือเขาอาจจะทานหลายมื้อกับเราจริงนะแต่เขามาทำแค่เดียวเสร็จปุกกินแค่เดียวเสร็จก็ไปไม่ไม่อะไรมากคือถ้าเรามองว่ามันมันหลายมือ้อ ใชจริงแต่เขาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้น้อยเขาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแทนเยอะกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรดีกับกันไม่ดีกว่ากันแต่ในเชิงว่าให้เราดูว่าอะไรที่มันทําให้ชีวิตเรามันยุ่งยากโดยที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดมันบ้างนะเราจะได้มีเวลาภาวนามากขึ้นเพราะบางทีบาง ท, ทีโยมบางคนเขาก็จะไม่มีเวลาภาวนามันยุง่งบางทีต้องดูว่าไอ้ที่เรายุ่งเนี่ย มันยุ่งแบบมีสาระหรือไม่มีสาระเวันทีก็ยุ่งเขาไปเลือกซื้อรองเท้าใหม่ๆเนะี่ยทั้งที่ก็อาจจะมีรองเท้าอยู่แล้วไปเลือกกินที่นั่นที่นี่นะต้องเสียเวลาขับรถไปอนะไรเนี่ยะจําเป็นหรือเปล่าอนะไรเนี้ยก็ต้องดูนะเอ่ต้องดูแต่ถ้าเราเข็นว่าเวลาตอนนั้นเราตัดมาเก็จะมีเวลาภาวนานในรูปแบบมากขึ้นะมันจะเกิปดประโยชน์มากแต่อีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างนึ่งถ้าเรายิ่งเข้าใจเรื่องการมีสติมากขึ้นนะแต่อเอาสติเราไปใช้ในการทำทุกอย่างได้ทําทุกอย่างได้แต่บางทีมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะได้ที่เราก็มีสติในการขับรถได้นะแต่ขับรถไปกินนั้ น, น, นที่กว่าใช่ไง ม, มันก็มันก็จะเป็นหลายๆอย่างนะมันก็อาจจะต้องดูอน มันต้องบอกไม่ได้ทิดไม่ได้บอกวแบบไหนถูกผิดนะแต่ก็ให้เราดูตัวเองดูกิเลสของเราเองใช่ัหมว่ามันแบบไหนมันมันมันถูกมันผิดนะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองนะถึงจะรู้นะแต่ถ้าเรามีสติบ่อยๆจริงอะมันมันก็จะทําให้เราการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันก็มันก็จะทําให้เรามีสติรู้ตัวหรือที่จริงบางอย่างแม้มันผิดไปแล้วแต่มันก็จะไม่จมนะ ไม่จมลงไปในสิ่งที่ผิดเช่นเอา้าเผลอไปซื้อขนมมากินอีกแล้วซื้อขน ม, มแล้วนะสมมติซื้อมาแล้วอ่ะไอ้เผลอไปซื้อขนมมันขาดสติค่ะไม่เป็นไรพอซื้อมาแล้วก็จะกินอย่างมีสติใช่ไหมอ่ะกินแค่นี้พอละมันถ้ากินมากเกินไปมันมันก็เกิดโทษใช่ไหนี่คือ ตอนที่ซื้อาอาจจะเผลอซื้อด้วยความขาดสติแต่ตอนกินก็กินด้วยความมีสติแบบนี้แทนก็ได้ใช่หมซื้อเผลอไปซื้อเสื้อผ้าไม่รับเอาไงเดียก็ใสใ่มันคุ้มแล้วกันใชใ้มันคุ้มแล้วกันคือก็เอาแบบนี้แทนแต่บางทีก็ต้องระวังนะบางทีเด็กดก็จะขอเผอนิดนึงก่อนก็ได้นะแล้วก็จะใช้อย่างมีสติมันก็ไม่เอานะ อ, าอันนี้มันก็ คือไม่ได้มองว่าจะเชิญวิาพากวิจารณ์ตำหนินยแต่มาว่าสนุกสนุกกับชีวิตวิากคือสนุกเป็นการน่ะมันเห็นของมันนะเห็นกิเลสมาแสดงเห็นตัวรู้มาแสดงมานะชีวิตเราก็แบบนี้นะมันเหมือนเหมือ น, เ ล, น, เ, ลนเล่นกับเล่ น, เ ล, นเล่นกับกุศลกับอกุศลในใจของตัวเองเลยนะคือบางทีถ้าไปจริงจำเขร่งเรียดมากบางทีบางคนอาจจะโอ้ อันนี้ทําไม่ได้อันนั้นอันนี้มันยุ่งนะอันนี้โดยส่วนตัวนะอันมาก็แบบลองลองเล่นๆกับมันดูมาเป็นแบบไหนแล้วพอเรารู้จักเขามันเหมือนคล้ายๆเรารู้ทางกันพอเรารู้ทางกันแล้วมันก็เออมันก็ไม่ต้องไปถึงขั้นห้ามแต่เมืนเพียงแค่แค่ดูแล้วจะทําแบบไหนเนีมันเหมาะมันก็สติมันก็จะบอกของของมันเองนะ บางทีเป็นสติ๊กมากมันก็ดีนะมันก็ง่ายสําหรับบางคนแต่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องตายตัวนะอย่างเช่นจะต้องฉันมือเดียวหรือเปล่าฉันมือเดียวมันก็มันก็ดีอย่างนะเพนยังไม่ต้องมาจัดการนะหรือไม่ต้องเก็บอะไรเลยมันเครื่อง่ายนะแต่บางทีพอมีคนจับจะมาถวายถ้ารย์ฉันได้หรือเปล่าบางคนถวายถ้าไม่ฉันก็เสียน่ะ มันก็ไม่ได้ตายตัวอ่ะฉันก็ได้นะเอ่ฉันยังมีสติแทนนี้ก็ได้บางทีเราไปอยู่ในทางโลกนะบางทีนับปฏิบัติทําไปอยู่ทางโลกงทีอันนี้ก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านแฟนจะเปิดทีวีก็ไม่ได้นะลูกจะดูการ์ตูนก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่แบบนี้นก็ได้นะอ่เราก็ไปนั่งกับเขาก็ได้นะแต่ให้เราดูตัวเองว่าเราไปกินสนกกับ เขาขนาดไหนหรือเราไม่พอใจกับเขาขนาดไหนก็ไปดูดูตัวเองมาชอบมีคํานึงนะมีโยมคนหนึ่งเมื่อวานเขาก็มาเขาก็ได้คุยกับอาจารย์กำพลตอนตอนก่อ น, อนที่อาจารย์คนเสียไม่นานหรอกเขาบอกว่าบอติก็ไมาค่ยได้คุยกับอาจารย์คนมากหรอกแต่มีตอนหนึ่งตอนที่เขาคุยกับอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลบอกว่า ผมนะ่ะรู้ตัวเองมากกว่าไปรู้เรื่องของคุณนะอะไรปะที่คุยกันนะหมายถึงว่าคือก็คุยกันปกติธรรมดานะแต่ผมอนะ่ะรู้ตัวผมเองมากกว่าไปรู้เรื่องที่กําลังคุยกับคุณคืออะไรไม่ใช่ว่าการไม่สนใจคนนะัก เ, เขาคุยอยู่แต่ไม่รู้ตัวเองเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นเว่าพูดคุยเวลาทาอะไรต่างๆกับคนนะ่ะแต่สิ่งสำคัญคือถ้าคนที่มีธรรมะมีสติ จะไม่ดืมตัวเองหือไม่ลืมที่จะกลับมาดูกายหรือกลับมาดูความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอเวะลาไปคุยกับคนก็ไม่ได้ไปจมไปหลงกับคนทั้งหมดนะก็ยังมีสติอยู่อันนี้นะก็ก็ฝากไวนก้นะดูเวลาก็เกิดพนะ <c ười> อสมควรแค่นี้แล้วกันอดู